เรื่องราวที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณดำรงค่ะบอกว่าได้เจอมากับตัวเองขณะที่ไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราจะไม่ขอเอ่ยชื่อของโรงพยาบาลนะคะบอกแค่ว่าอยู่แถวอนุสาวรีชัยสมรภูมิค่ะ ปกติแล้วคุณดำรงเองก็ไม่ค่อยชอบนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกลิ่นยาแล้วก็เข็มฉีดยานะคะถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็จะไปซื้อยามากินมาดื่มมารักษาเองเสมอคุณดำรงบอกว่าคราวนี้อาการป่วยของเขาจะรักษาด้วยยาพา ร, ราเซตามอลอย่างเดียวคงทําไม่ได้เพราะว่าคุณดำรงเป็นโรคเกี่ยวกับปอดค่ะ ภรยาและลูกของคุณดำรงก็เลยต้องพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญกับโรคทางนี้โดยตรงหรือจะเรียกว่าหมอเฉพาะทางนั่นเองนะคะคือถ้าไม่ไปคุณดำรงบอกว่านับวันตายได้เลย แต่ว่าคุณดำรงยังไม่อยากจะตายในตอนนี้เนื่องจากว่ายังเป็นห่วงลูกๆยังมีงานทําที่ไม่มั่นคงและที่สําคัญที่สุดคุณดำรงกล่าวติดตลกเล็กน้อยค่ะว่าภรรยาของเขายังสวยแล้วก็ยังสาวก็เลยอยากจะอยู่คู่กับภรรยาของเขาเป็นนานๆในห้องที่คุณดำรงนอนพักรักษาอาการป่วยอยู่นั้นก็มีคนไข้ประเภทเดียวกันอยู่สี่เตียงค่ะ 3มเตียงเป็นสิทธิ์รุ่นพี่นะคะก็คือป่วยก่อนแล้วก็เข้ามารักษาตัวก่อนก็เลยนับถือเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ไปแต่ละคนนี่ก็จะมีขวดน้ําเกลือแขวนอยู่ข้างเตียงค่ะของเขายังเป็นน้องใหม่ล่าสุดยังไม่ได้ทําอะไรก็เลยต้องนอนรอให้หมอมาตรวจอาการแล้วก็รายละเอียดซะก่อนในวันรุ่งขึ้นวันนั้นเขาก็เลยได้สวมชุดคนไข้ของโรงพยาบาลแล้วก็นอนรออยู่บนเตียงคนไข้ที่สุดแสนจะอึดอัด จ, จะกลิ่นยาอันไม่พึงปรารถนาที่เขาไม่ชอบเอาซะเลย คนเราแม้จะกลัวจะเกลียดอย่างไรหากมีความจำเป็นที่ทําให้กลัวคือความตายนั่นเองค่ะก็ต้องยอมทนอึดอัดแค่ไหนลําบากแค่ไหนอย่างไรก็ต้องอดทนแล้วก็ทนต่อไปโดยการอ่านหนังสือเป็นการฆ่าเวลาไปเรื่อยๆและในห้องที่คุณดำรงนอนพารักษาตัวอยู่นั้นเขาห้ามญาติเข้าไปนอนเฝ้าไขา้เหมือนห้องพิเศษนะคะจะไม่ให้เหงาได้อย่างไรจริงไหมคะ เพื่อนคนไข้ทั้งหลายล้วนเป็นคนแปลกหน้าแต่ละคนอาการรอดแรกเข้าขั้นโคมา่าสังเกตจากสายยางที่สอดเข้าทางปากทางจมูกเนี่ยระยงระยางไปหมดเป็นภาพที่แบบเห็นแล้วก็ไม่อยากจะมองอะ่ะเพราะมันไม่สวยคุณดำรงบอกว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ได้รังเกียจนะคะแต่ว่ากลัวณเวลานั้นจะเป็นเวลากี่โมงกี่ยามคุณดำรงไม่ทราบเนื่องจากว่านาฬิกาข้อมือเนี่ยทางภรรยาของเขาถอดเก็บไว้เรียบร้อย คงจะคิดว่านอนโรงพยาบาลนี่ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้นาฬิกาอีกต่อไปหมอและพยาบาลนะก็เข้ามาตรวจดูอาการคนไข้แต่และเตียงยกเว้นเตียงของคุณดำรงค่ะพอตรวจดูอาการคนไข้เสร็จก่อนจะออกจากห้องก็ปิดไฟหลายดวงแต่ว่าไม่ได้ปิดทั้งหมดจะเหลือไว้บ้างพอมองเห็นหน้ากันกับคนไข้เตียงอื่นพอสลัวเท่านั้นก็แสดงว่าถึงเวลานอนแล้วอะไรทานองนั้น สิทธิ์ใหม่ยังไม่คุ้นเคยสถานที่อย่างคุณดำรงก็คงนอนไม่หลับแล้วค่ะก็เลยนอนลืมตามองดูเพดานห้องพร้อมกับจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยจนลืมไปคิดว่าตัวเองกําลังนอนสบายๆอยู่ในบ้านแล้วก็มีภรรยาสาวสวยเนี่ยนอนอยู่เคียงข้างความรู้สึกที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าคุณดำรงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่นอนเบียดกับเขาขณะนั้นไม่ได้อุ่นเลยเนื้อตัวเย็นเหมือนพึ่งออกมาจากตู้เย็นท่อนแขนที่พาดหน้าอกนั้นก็เหมือนกัน คนที่นอนอยู่ข้างๆคุณดำรงนะะี่ะพูดขึ้นมาบอกขอนอนด้วยคนนะคะเสียงนั้นนี่ก็เย็นแววอยู่ข้างหูตัวเองมีความรู้สึกและก็มีสติดีทุกอย่างร่างนั้นเป็นร่างใหญ่สังเกตได้จากท่อนแขนที่พาดหน้าอกน ะ, ะ่ฮะหนักมากแถมยังนอนเบียดจนตนเองเนี่ยไปชิดกับขอบเตียงทําท่าจะตกแหลไม่ตกแหล่หันหน้ามาคุยกันหน่อยสิคะเสียงเย็นนั้นเนะะี่ยฮะทให้มีความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นจนขนหัวลุกคะ่ะ ถอยไปและลงจากเตียงเดี๋ยวนี้คุณดำรงก็พยายามอ้าปากพูดขับไล่แต่เหมือนมีอะไรมาอุดปากไว้ก็เลยอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นร่างนั้นไม่ยอมลุกออกจากเตียงมีหนำซ้ายังคงหัวเราะเยาะคุณดำรงด้วยหัวเราะไปแล้วก็พูดว่าไม่ลงแล้วจะทำใหม่ก็ในเมื่อคุณมานอนเตียงของฉันนอนทับที่ของฉันพูดจบก็มีเสียงหัวเราะดังไปทั่วห้องขึ้นมาอีกค่ะ ตอนนั้นคุณดำรงรู้แล้วล่ะนะคะว่าคนที่นอนเบียดอยู่ข้างตัวเองเนี่ยไม่ใช่ภรรยาแต่ว่ามันเป็นผีก็เลยพยายามจะลุกขึ้นนั่งแล้วก็เดินหนีออกจากห้องแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าเรี่ยวแรงที่เคยมีเนี่ยมันหายไปไหนหมดพยายามอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน2นานค่ะแต่ก็ไม่สําเร็จเมื่อเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็เลยตะโกนเรียกหมอแล้วก็พยายามแบะอ่ะพยาบาลนะคะให้มาช่วย คุณดำรงบอกว่าตะโกนจนเสียงแหบเสียงแห้งแต่ก็ไม่มีหมอแล้วก็พยาบาลคนไหนโผล่หน้าเข้ามาช่วยเลยตะโกนจนหมดแรงแล้วก็หลับไปในที่สุด ในเช้าวันต่อมาค่ะพวกหมอกับพยาบาลก็ได้เข้ามาตรวจอาการคนไข้าตามปกติพร้อมบอกกับคนไข้เตรียมตัวไปตรวจที่ห้องเอ็กซเรย์เพื่อความแน่นอนว่าเป็นโรคอะไรจะได้รักษาถูกกับโรคและโอกาสอย่างนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะคะที่คุณดำรงจะได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาวเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกพยาบาลเหมือนจะรู้นะคะว่าคุณดำรงกําลังจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็เลยเพียงแค่มองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มก่อนเดินออกจากห้องไป ก็ไม่รู้ว่าคนไข้ในห้องนี้เนี่ยจะเจออะไรบ้างหรือเปล่าถ้าเจอก็คงจะเหมือนกันจะเล่าให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฟังก็ไม่มีใครยอมฟังซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาน่าจะฟังบ้างเพื่อ น, นำไปแก้ไขไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ถ้าเกิดคนไข้ช็อกตายเพราะความกลัวจะทำอย่างไรอย่างว่านะคะหมอก็มีทางออกของหมออาจจะพูดว่าหัวใจวายตายเฉียบพลันคุณดารงนอนเอามือไก่เน่ผักคิด เมื่อได้เวลาไปเอ็กซเรย์ทางโรงพยาบาลก็ได้นําตัวไปอีกห้องหนึ่งเพื่อเอ็กซเรย์ตามคิวหลังจากเอ็กซเรย์เรียบร้อยก็กลับมาที่เตียงคนไข้เหมือนเดิมค่ะในใจก็อยากจะถามพวกพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแต่ก็กลัวไม่ได้รับคําตอบก็เลยจําใจนอนเตียงตัวเดิมมันก็ทั้งหงุดหงิดแล้วก็อึดอัดเนะีคะเพราะคิดว่าคืนนี้มันคงมาอีกก็เลยขอเปลี่ยนเป็นเตียงหลังใหม่ทําให้เจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเนี่ยสงสยัยก็เลยถามออกออกมานะคะว่า เอีงหลังนี้มันมีอะไรเหรอคะคุณจึงต้องขอเปลี่ยนหมอถามคุณดำรงค่ะก็ได้แต่หันหน้าไปทางพยาบาลที่เดินตามหลังมาเหมือนรู้กันคุณดำรงก็บอกเออคือผมเออคือคุณดำรงก็พยายามเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้หมอฟังแต่ว่าพยาบาลที่เดินตามหลังมาก็ได้พูดตัดบทขึ้นมาก่อนว่าเอาละค่ะอย่าเพิ่งเล่าเลยนะคะ คุณดำรงก็เลยต้องเงียบไปไม่เล่าก็ไม่เล่าก็เลยไม่ ไ, มได้ย้ายเตียงก็เลยจำใจยอมนอนเตียงหลังนั้นตลอดมาจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลนะคะพวกพยาบาลก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่คุณดำรงพยายามจะเล่าให้ฟังนั้นทุกคนรู้กันหมดว่าเรื่องอะไรไม่เพียงแค่คุณดำรงเท่านั้นหรอกนะคะที่เจอทุกคนที่มานอนเตียงหลังนี้เจอกันทั้งนั้นแหละแล้วก็เจอกันในลักษณะเดียวกันด้วยหากคนไข้เป็นผู้ชายแต่ถ้าคนไข้เป็นผู้หญิงเธอก็จะมาอีกรูปแบบหนึง พยาบาลเล่ามาถึงตรงนี้ก็หยุดไม่พูดต่อแต่ว่าคุณดำรงเนี่ยเป็นคนอยากรู้ที่มาของเตียงหลังนี้ก็เลยขอร้องให้พยาบาลเล่าให้ฟังต่อเตียงหลังนี้มันเป็นอะไรล่ะครับคุณพยาบาลหรือว่าเตียงนอนหลังนี้มีคนตายโหงเป็นผู้หญิงร่างใหญ่อย่างที่ผมเคยเห็นในวันก่อน พยาบาลก็ยิ้มค่ะแล้วก็พูดว่าคุณดำรงเนี่ยพูดถูกแล้วค่ะคือเมื่อปีที่แล้วหรือว่าปีที่ผ่านมามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอกินยาพิษประชดแฟนมานอนรักษาตัวอยู่บนเตียงนี้แต่ว่าเธอสิ้นใจในเวลาต่อมาจนกระทั่งต่อมาเตียงคนไข้ชั้นบนไม่พอทางโรงพยาบาลก็เลยได้ยกเตียงหลังนี้ขึ้นมาให้คนไข้นอนรักษาตัวในห้องนี้ ตั้งแต่วันแรกที่ยกเตียงหลังนี้ขึ้นมาคนไข้คนแรกของโรงพยาบาลก็เจอดีกันเลยทุกคนที่มานอนพักรักษาตัวบนเตียงนี้ต้องได้เจอกับเธอทั้งนั้นส่วนมากจะเจอในลักษณะเดียวกันยิ่งวันไหนเป็นวันพระนะพวกพยาบาลเวรไม่ค่อยชอบเข้ามาในห้องนี้เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเธอชอบปรากฏตัวให้เห็นเป็นประจำบางครั้งเธอก็จะปรากฏตัวในลิฟต์แล้วก็ตรงประตูทางเข้าห้องบางวันก็จะมีกลิ่นเหมน็นเหมือนกลิ่นซากศพหนูเน่าฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง แรกแรกพวกเราก็กลัวแต่ว่าตอนนี้มันชินซะแล้วจริงๆแล้ววิญญาณของเธอไม่ต้องการทำร้ายหรือว่าทำอะไรใครหรอกนะคะเพียงแต่ว่าชอบหลอกสนุกไปอย่างนั้นแหละเพราะเธอคงเป็นผีขี้เล่นซะมากกว่าหลอกให้กลัวพยาบาลคนนั้นเล่าแต่ก็น่าเสียดายค่ะที่คุณดำรงไม่ได้ซักประวัติของผู้หญิงคนที่ดื่มยาพิษประชดแฟนจนตัวเองตายอยางไม่ได้ตั้งใจจะตายแต่ก็คงถึงคราวนะคะ คุณพยาบาลคะเรื่องผีเรื่องวิญญาณไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะลองคิดดูว่าถ้าพยาบาลเจอเข้าจริงๆเหมือนที่คุณดำรงเจอจะเป็นยังไงคุณผู้ฟังคะโรงพยาบาลที่ว่านี้อยู่แถวอนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะแต่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอะไรนั้นเรื่องนี้ เราก็ขอให้คุณผู้ฟังไปเดาเล่นเล่นกันเองละกันเพราะว่ามันมีโรงพยาบาลอยู่แค่ 2-3-3 โรงพยาบาลแค่นั้นเองสำหรับตัวของบีเองก็คงจะต้องบายบายละค่ะไม่ไม่อยากจะเจอแบบนั้นนะคะเราก็ไม่อยากจะเจ็บป่วยด้วยเนาะอ่ะเรื่องของวิญญาณขี้เล่นที่โรงพยาบาลจบลงไปแล้วนะคะทีนี้มาฟังเรื่องของวิญญาณร้ายที่ถ้ำผาตูมกันบ้าง คุณผู้ฟังรู้ไมหมคะว่าแผ่นดินที่เราปลูกบ้านสร้างบ้านอาศัยอยู่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาวแหลง่งน้ําและทุ่งกว้างไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามในแผ่นดินเอาแค่ประเทศไทยของเราก็พอหรือดินที่เป็นแผ่นดินที่กล่าวมานี้จะไม่เคยทับถมไปด้วยเศษซากต่างๆทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างอาคารบ้านเรือนหลุมฝังศพของมนุษย์ศพแล้วศพเล่าทับถมกันขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ เพราะที่ตรงนั้นเป็นเป็นดินและวก็หนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าชนิดต่างๆเกิดขึ้นอย่างงอกงามเพราะว่าได้ปุ๋ยอย่างดีจากซากสัตว์แล้วก็ซากมนุษย์นั่นเองนะคะศพมนุษย์ที่ฝังจมอยู่ในแผ่นดินก็มีทั้งศพคนดีและคนชั่วที่มีความโหดร้ายทารุณและพวกที่ตายไปแล้วก็ล้วนแต่บาปอย่างหนาหรือยมทูตตามหาวิ ญ, ญญาณไม่เจอ<ม>เพราะว่าอาศัยหลบซ่อนแล้วก็เวรกรรมหน่วงเหนี่ยวให้จมจอบอยู่กับความทุกข์แล้วก็บ่วงเวรคนที่เจอหรือว่าคนที่เห็นผี จึงมีอยู่บ่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปราสาท ร, ราชวังระโหฐานเป็นวัดวาอารามหรือที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถิ่นฐานบ้านเรือนและตามถนนหนทางต่างๆวิญญาณก็จะมีอยู่ทุกแห่งทุกที่ทั้งวิญญาณรุ่นเก่าและก็วิญญาณรุ่นใหม่นะคะ อย่างวิญญาณที่พระอาจารย์เฉลวยอาชิตโตค่ะพระลูกศิษย์รูปสําคัญของหลวงพ่อเหรียญหรือพระอาจารย์เหรียญวราลาโภแห่งวัดอรัญญบันโพธิ์จังหวัดหนองทายท่านอาจารย์ฉลวยท่านเคยเจอวิญญาณเข้าจังๆกับตัวของท่านเองเป็นวิญญาณทรมานมาในร่างของอสุรกายค่ะครั้งแล้วครั้งเล่าในครั้งนั้นเป็นช่วงออกพรรษาแล้วนะคะพระอาจารย์ท่านได้จาริกธุดงควัดอย่างโดดเดี่ยวเพียงรูปเดียวจุดหมายปลายทางของพระอาจารย์ก็คือภาคเหนือ ท่านทุดงไปถึงจังหวัดน่านท่านก็ได้พบเข้ากับถ้ำแห่งหนึ่งอยู่บนเขาลูกหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าถ้ำผาตูมค่ะซึ่งถ้ำแห่งนี้อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านพอสมควรแต่พอจะเดินออกไปบินทบาทไหวนะคะแต่พอท่านเห็นถ้ำแห่งนี้แล้วก้าวเดินเข้าไปดูข้างในถ้ำแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกน่าอัศจรรย์ท่านก็เลยตกลงจะพักทําความเพียรภาวนาอยู่ในถ้ำแห่งนี้สักเพลาหนึ่งแล้วค่อยเดินทุดงต่อ หลังจากท่านได้ปักกระดจัดที่บําเพ็ญภาวนาเสร็จสิ้นค่ะท่านก็ได้ออกเดินสำรวจดูบริเวณรอบนอกถ้าแล้วท่านก็พบว่ามีห้วยแล้วก็มีลําน้ําใสสะอาดอยู่ห่างจากถ้าไม่เท่าไหร่พอจะเดินไปตักน้ํามาดื่มแล้วก็ส่งน้ําได้สะดวกตามสมควรพระอาจารย์มีความรู้สึกพอใจกับสถานที่แบบนี้เป็นอย่างมากนะคะนอกจากจะมีความสงบเรียบร้อยแล้วก็ยังมีความร่มรื่นเหมาะกับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมมากที่สุด คืนแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ในคืนต่อมาพระอาจารย์ฉลวยได้นั่งสมาธิวิปัสสนาอย่างได้ผลยิ่งไม่ว่าจะยกข้อธรรมข้อใดมาพิจารณาก็รู้แจ้งแทงตลอด ในอารุณ์ของวันใหม่พระอาจารย์ก็ออกบินธบาติที่หมู่บ้านเชิงเขาตามปกติค่ะรับบินธบาติเสร็จแล้วก็กลับมาที่ถ้ำก่อนถึงเวลาเพนเมื่อชาวบ้านได้ทราบข่าวว่ามีพระธุดงมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่ถ้ำผาตูมก็พากันเดินทางตามพระอาจารย์มาที่ถ้ำเพื่อกราบนมัสการเพื่อขอพรแล้วก็ฟังเทศนาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข พระอาจารย์เฉลวยท่านเองก็ได้หยิบข้อธรรมที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การดำรงชีพของพุทธมามะกะมาเทศให้ฟังตามสมควรแล้วก็ได้อบรมในการเจริญภาวนาสมาธิให้ทุกคนได้นำไปปฏิบัติชาวบ้านชาวเขาต่างก็น้อมรับคำสอนจากท่านด้วยความปิติยินดีค่ะก่อนจะเดินทางกลับไปบ้านเรือนนอนของตนและในคืนนั้นหลังจากชาวบ้านได้เดินทางกลับไปบ้านเรือนแล้วก็ทิ้งไว้แต่ความวิเวกกล่าวเปลี่ยวเดียวดาย ภายในถ้ำที่เงียบอยู่แล้วก็ยิ่งเงียบผิดปกติค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้เข้ากลรดเพื่อเจริญสมาธิแต่ว่าขณะที่ท่านกําลังเจริญภาวนาอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งอบอวนขึ้นมาภายในถ้ำไม่ผิดอะไรกับกลิ่นเหม็นของซากศพแรกๆท่านก็คิดว่าเป็นกลิ่นของหนูที่มาตายอยู่แถวนั้นวันรุ่งขึ้นก็เลยคิดว่าจะไปลองค้นหาดูนะคะแต่ว่ากลิ่นนั้นมันแรงขึ้นทุกขณะ พระอาจารย์ฉลวยทนไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นไปหาดูนอกถ้ำบริเวณด้านหน้าถ้ำเนี่ยเป็นพื้นเรียบพระอาจารย์ฉลวยใช้เป็นที่เดินจงกรมดังนั้นท่านก็เลยเปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งภาวนามาเป็นเดินจงกรมต่อเลยโดยกําหนดสมาธิอยู่ที่เท้าซึ่งเคลื่อนไหวไปมาช้าๆเดินกลับไปกลับมาหลายรอบค่ะท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรที่อยุดรอบตัวแต่ว่าขณะที่ท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมานั้นมีอยู่ช่วงหนึ่ง ตอนที่ท่านเดินไปถึงตรงกลางทางเดินท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ๊สีรษะไปกระทบเข้ากับบางสิ่งบางอย่างท่านก็เลยคิดว่าเป็นกิ่งไม้ทั้งๆ ท, ท, ที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นที่โลง่งไม่มีต้นไม้อยู่ใกล้ๆแม้แต่ต้นเดียวท่านก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นไปมองก็ยังคงเดินต่อไปจนสุดทางเดินจงกรมเวลานั้นกลิ่นเหม็นก็ยังไม่ยอมหยุดก็ยังแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะโฉบออกมาจากถ้ำพระอาจารย์ฉลวยก็ได้หมุนตัวกลับมาช้าๆแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมอง ท่านถึงกับตกใจกับภาพที่ท่านมองเห็นจนขนลุกขนพองสยองก้ากับสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนสุดทางเดินฝั่งตรงท้ามภาพที่ท่านเห็นเป็นร่างสูงใหญ่ทะมึนอากาศในตอนนั้นกําลังขมุกขมัวมองเห็นไม่ค่อยชัดนักแต่ท่านว่าร่างนั้นนี่มีขนยาวรุงรงังตระงานแน่นิ่งอยู่เบื้องหน้าพระอาจารย์เฉลวยนะคะ ท่านเองก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรหรือว่ามันมีเจตนาอะไรหรือปรารถน า, าจะได้รับกุศลหรือว่ า, าบุญกุศลเพื่อที่จะผ่อนคลายความทุกข์ทรมานหรือเปล่าหรือว่ามีความมุ่งร้ายหมายชีวิตด้วยไฟโทสะเกลี้ยวกระดแต่ไม่ว่าผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจะมาจากมิติไหนมีเจตนาเช่นไรค่ะพระพุทธสาวกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมมีแต่ดวงจิตอันชุ่มเย็นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา พระอาจารย์ฉลวยก็เลยกำหนดจิตแผ่เมตตาไปใ ห, ให้อย่างไม่มีประมาณนะคะกลิ่นเน่าเหม็นซึ่งอบอวนตั้งแต่ตอนแรกก่อนอสุรกายจะมาปรากฏตัวเส้นทางจงกรมดูเหมือนจะมีกลิ่นรุนแรงและฉุนมากขึ้นกว่าเดิมเป็นพันเท่าทวีคูณกลิ่นนั้นเหมือนมันพุ่งออกมาจากร่างกายที่ยืนตร anggan อยู่เบื้องหน้าตรงมายังพระอาจารย์ฉลวยโดยตรงมันแรงมากจนอาจารย์แทบจะเป็นลมล้มลงในบัดดลแต่ว่าพระอาจารย์ฉลวยท่านก็ไม่เคยวิตกหวั่นไหวในกลิ่นนั้นแม้แต่น้อย ไม่ว่ากลิ่นนั้นจะเหม็นฉุนแค่ไหนก็ตามท่านก็ทนได้ท่านก็ยืนนิ่งคอยดูความเคลื่อนไหวของมันอย่างสงบพร้อมกับแผ่เมตตาให้กับมันไปเรื่อยๆนะคะทังที่ท่านเองก็รู้แล้วค่ะว่าสัตว์ประหลาดที่มันเยี่ยมยามวิการเนี่ยไม่ยอมไปไหนมันก็ยังคงยืนนิ่งเหมือนเสาไม้อยู่กับที่ไม่มีการแสดงอาการอะไรให้รู้เลยว่ามันจะถอยหนีหรือว่าหายไปจะว่ามันสงสยัยว่าเอ๊ะพระองค์นี้ เป็นใครหรือว่ามาแสดงความเป็นเจ้าถิ่นให้ผู้มาเยือนถิ่นของมันรู้เป็นไนก็เหลือจะเดาพระอาจารย์เฉลียวท่านก็รู้อยู่แก่ใจนะฮะว่าวิญญาณบางตนเนี่ยมันหัวดื้อไม่ยอมรับรู้อะไรง่ายๆมันก็ยังคงยืนทำมืนเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวหากจะคิดในมุมลบก็เหมือนกำลังชั่งใจอยู่ ว่าจะทำอย่างไรดีจะสู้หรือว่าจะถอยมันกำลังดวนเรค่ะพระอาจารย์เฉลวยเองท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนอกจากทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปให้อย่างไม่มีประมาณท่านเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรต่อไปหากมันจู่โจมเข้ามาเข็นฆ่าท่านท่านเองก็ต้องยอมและท่านก็ได้ส่งกระแสจิตไปถามว่าที่มาปรากฏตัวเนี่ย มาเพื่ออะไรต้องการสิ่งใดแต่ก็ยังไม่มีการตอบรับหรือว่ารับรู้ใดๆนะคะแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูจิตใจของมันมันเริ่มรู้สึกและสํานึกเพราะว่าสภาพร่างกายที่เป็นกายหยาบนั้นค่อยๆจางไปทีละน้อยจนในที่สุดก็เลือนหายไปกลิ่นเน่าเหม็นนั้นก็ค่อยๆจางหายไปด้วยและไม่ทันที่พระอาจารย์ฉลวยจะกําหนดจิตเดินจงกรมต่อตามปกติของท่านฉับพลันทันใดนั่นเองค่ะท่านก็ต้องสะดุ้งตกใจอีกรอบที่สอง เพราะว่ามีเสียงกรีดร้องหวยหวนดังระงมไปทั่วขุนเขาหน้าขนลุกขนพองหากว่าเป็นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยคงจะต้องวิ่งกันป่าแตกไปแล้วเรื่องอะไรจะอยู่นะคะดีไม่ดีช็อกเอาง่ายๆบีเองก็เชื่อว่าทุกค น, คนที่ไม่ใช่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องวิ่งกันเหมือนกันละค่ะแต่ว่าท่านพระอาจารย์เอง ไม่สามารถจับทิศทางมาของเสียงที่แวกอากาศยามค่าคืนนั้นได้ว่ามันมีเสียงร้องหวยหวนมาจากทิศใดบางครั้งมันก็ดังกล้องมาทุกทิศทางอย่างขนพองแผ่ซ่านไปทุกอนุอากาศเสียงร้องหวยหวนนั้นในบางช่วงจะเบาหวิวแผว่โหยดุดเสียงครางและบ่นด้วยความทุกเวทนาบางช่วงก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและก็มีความกโกรธแค้นเกี้ยกล่าดถึงที่สุด พระอาจารย์ฉลวยก็เลยหาที่นั่งค่ะเพื่อทําสมาธิในที่เหมาะสมบริเวณเบื้องหน้าถ้ำท่านก็นั่งกําหนดจิตแผ่เมตตาไปให้มันอีกแม้มันจะหายตัวไปแล้วก็ตามแต่ว่าเสียงที่ร้องครวนครางอย่างเจ็บปวดและเกลี้ยวกราอดแสดงถึงว่ามันกําลังมีความทุกเวทนาอย่างหนักหนาสาหัสนะคะแสดงว่ากรรมที่มีเนี่ยมันต้องมาชดใช้ไม่รู้กี่ร้อยกี่ปีไม่รู้กี่พันชาติก็ แผ่กุศลไปให้ก็ยังไม่เพียงพอกับกรรมที่มันได้รับกับกรรมที่มันได้สร้างไว้เมื่อปางหลังและยังไม่มีใครหรือผู้ใดได้แผ่บารมีทำไปให้มันเพื่อผ่อนคลายความรุ่มร้อนให้เกิดความชุ่มเย็นพระอาจารย์ฉลวยท่านยิ่งพิจารณาถึงเรื่องกรรมก็ยิ่งเกิดความเวทนาสงสารค่ะท่านก็เลยมีความพยายามเต็มที่ที่จะช่วยเหลือ ในคืนวันนั้นพระอาจารย์ฉลวยกำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้ไม่รู้ว่านานแค่ไหนจนกระทั่งเสียงที่ร้องหหยหวนนั้นค่อยๆแผ่วลงเสียงคร่ำครวญเหมือนเสียงบ่นถึงความทุกข์ทรมานก็เงียบไปนะคะโดยไม่ทราบว่าวิญญาณแห่งความทุกข์ทรมานนั้นได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจนพ้นจากความทุกข์ไปมากน้อยเพียงใดและในคืนต่อมาก็ไม่ปรากฏร่างของอสุรกายตนนั้นอีก พระอาจารย์เฉลวยเองท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่เพียงแต่ท่านสันนิษฐานว่ามันคือวิญญาณป่าที่จมจ่อมและก็ทุกทรมานมาเป็นเวลานานยังไม่มีผู้ใดที่จะมาคอยสงเคราะห์แผ่บรารมีและแผ่ส่วนกุศลไปให้และมันก็คงเป็นครั้งแรกที่มันได้รับบุญกุศลและเมตตาการุณาไปให้อย่างไม่มีประมาณเพื่อหลุดพ้นบ่วงกรรมให้ไปผุดไปเกิดในภพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ พระอาจารย์ฉลวยอชิตโตค่ะอยู่บําเพ็ญภาวานาที่ถ้ำผาตูมเป็นเวลานานพอสมควรเพื่อโปรโดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็จะริดทุดงไปตามเส้นทางธรรมของท่านต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่บางเรื่องบางตอนที่ท่านได้เดินทุดงแล้วก็ไปเจอกับสิ่งเล้นลับหรือว่าอสุรกายจะเรียกว่าเปรตหรือว่าอสุรกายนีคะตรงนี้บีเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่พระอาจารย์เฉลวยท่านได้เห็นท่านได้พบเจอเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าท่านอาจารย์เองก็ไม่ได้บ มาะคว่าเรียกว่าเป็นเปรตหรือว่าเป็นอสุรกายนั่นเองค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยและที่ห้ามลืมเลยคือกดติดตามช่องพระเจอผีของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ